พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบห้าลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23กรกดาคม2556้า25หมีชื่อเรื่องว่าเพราะบุญหนุนส่ง วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาปีห้าหกเมื่อเช้ารู้สึกว่าฝนตกอย่างมากตกแรงแต่เดี๋ยวเนี้พอขึ้นมาศาลาเหมือนกับไม่มีฝนมีแดดอีกต่างหากเออ แปลกเหมือนกันแต่ต่อไปหลวงพ่อคิดว่ายัางกำชัชบพระอยู่อยากจะให้ไปใช้ศาลาใหญ่ข้างนอกที่ตักบาทเอาโต๊ะไปตั้งแล้วก็นั่นนะเราสร้างศาลายัางไม่เสร็จอ่ะกำลังปูพื้นกำลังอะไรอยู่แต่ใช้ให้มันคุ้มค่าให้หลบแดดหลบฝนได้เขาไปนั่งอยู่ข้างในให้นั่ง ดูสบายสบายเพรเราได้สร้างขึ้นมาแล้วเนะี่ยอย่าไปปล่อยทิ้งไว้มันไม่เกิดประโยชน์ตลอดถึงห้องน้ำห้องถ่ามันก็มีใช้อยู่ข้างในน่าจะเอาไปใช้ข้างในช่วยๆกันดูนะพวกครูบาทั้งหลายเอาโต๊ะไปตั้งเรียงเรียงเรียงกันพี่น้องประชาชนมาแล้วก็เข้าไปจอดรถข้างในแล้วก็ตักบาทแล้วก็ออกมามก็ไม่ไกลกันอยู่คนละฝากถนนเอง เราใช้ให้เกิดประโยชน์จึงในที่มันจะเกิดประโยชน์เราใช้ให้เกิดประโยชน์แต่วันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนมาเข้าพรรษานี่แหละตามไม่จริงพวกเราศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเข้าพรรษากับหลวงพ่อนะเข้าพรรษากับพระสงฆ์ด้วยนะเข้าพรรษายัางไง คล้ายๆกับว่าเอาคุณงามความดีเข้าวัดแล้วก็กำจัดกิเลสให้อยู่นอกวัดให้เอาจิตเอาใจเข้ามาอยู่ในวัดเอากิเลสที่มันเคยยุ่งเหยิงพลุงพลังออกนอกวัดทำไมจึงพูดอย่างนั้นสมมติว่าในพรรษานี้ข้าพยายเจ้าขอกราบคารวะ พระพุทธอุดมมงคลที่เป็นพระประธานอยู่ที่ศาลานที่นั่งพวกเราได้กราบไปไหว้ข้าพเจ้าจะงดบุรีตลอดไตรมาสสามเดือนข้าพเจ้าจะงดชุราตลอดไตรมาสสามเดือนข้าพเจ้าจะงดอบายามุกทุกอย่างไม่ว่าเล่นหวยเล่นเบอร์เป็นว่าซื้อหวยซื้อเบอร์ ทั้งหมดในสามเดือนทดลองดูสิข้าพเจ้าจะไหวพระทุกวันก่อนนอนตื่นนอนไม่ให้ขาดอข้าพเจ้าจะใส่บาตรบำรุงพระพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์พระเจ้าบินถบาตผ่านหน้าบ้านเราจะใส่อย่างน้อยวันละหนึ่งองค์อมีแต่ข้าวเหนียวก้อนหนึ่งก็ยังได้อแต่ให้ได้ทําบุญเอ จะก่อนในการทำบุญอันนี้ก็คือตั้งจิตตั้งใจเอาไว้แล้วข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไตรมาสสามเดือนจะไม่ให้ขาดหรือข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าทุกวันอาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์หรือว่าทุกวันพระไม่ให้ขาดหรือข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระ แปดค่ำสิบห้าค่ำไม่ให้ขาดภายในสามเดือนนี้อันนี้ก็คือเราจำพรรษาจำพรรษากับครูบาอาจารย์จาพรรษากับวัดหลวงพ่อนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราจะกัดทิ้งเราเอากายวาจาใจของเราจาพรรษาสามเดือนมันไม่นานอะไรหรอกแต่เราเป็นมาเราอายุเข้าเท่าไหร่สามสี่สิบ สี่สิบห้าสิบหกสิบปีแล้วมันจะรวยมันก็รวยไปพอแรงแล้วแหละมันจะจนมันก็คงจะจนแต่บัดนี้เราจะเอาศีลเอาธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราทดลองดูซิหลวงพ่อมั่นใจว่าเมื่อพวกเราเอาศีลเอาธรรมเข้าสู่จิตใจของเราด้วยความสัตย์จริงด้วยความตั้งใจด้วยความมีศรัทธาจริงๆ หลวงพ่อว่าเมื่อออกพรรษาแล้วพวกเราจะภาคภูมิใจในระดับหนึ่งในเมื่อออกพรรษาแล้วจะนี่ถ้าเรางดบุรีหรือเรางดเหล่าหรือเรามีศีลห้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวกเราก็มาขอพรจากพระพุทธอุดมมงคลข้าพเจ้าได้ประพฤติตนโดยสม่ำเสมอด้วยความอดทนด้วยสัจจะความจริงจังและจริงใจบัดนี้ การกระทําประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของข้าพเจ้าสําเร็จสมความมุขมา่านปรารถนาด้วยอเนกสงุ์ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติด้วยสัจจะความจริงใจบุญกุศลทั้ทงหลายทั้งมวลขอให้มาเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีกิจการหรือหน้าที่การงานสําเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดี อย่าได้มีอุปสรรคเกิดพบใดชาติใดขอให้ราพรื่นได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดในพบนั้นๆพบสุดท้ายด้วยเทินตั้งความปรารถนาได้เพราะเหตุไรเพราะเราทําความดีแล้วเราก็ต้องขอพรใช่ไหมไม่ใช่ว่าปุบ ป, ปับไปมิถะขอพรวัดนั้นขอพรวัดนี้าทั้งที่กินเหล้าหัววัดหัด ว, ว, ว, วเวียงไปหาขอพร มันจะได้อย่างไงตัวเองไม่ได้ทำความดีก่อนมันต้องทำความดีก่อนจะค่อยขอพรไม่จึงจะถูกอ่าพูดคิดดูซิที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจริงไหมมันต้องมีเหตุซะก่อนต้งค่อยมีผลอมีผลมาอย่างไงมันมีเหตุอ่ตัวเองทำเหตุไม่ดีแล้วจะผลไม่จะดีได้อย่างไรบรั้นขอยพวกเรา ท, ทุกท่านนะที่พูดทางนี้ให้ฟังก็เพื่อเป็นแนวความคิดในแนวปฏิบัติ สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่อเคยแนะนาบอกว่าเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าทำมาค้าขายทั้งปีทั้งวันแล้วจะไปตักบาทตอนเช้าคงไม่ทานหรอกหลวงพ่อมันสุดวิสัยจริงๆมันเหนื่อยจะใจบาตรไม่ทานหรอกหลวงพ่อแนะนำแนะแนะวว่านู่นเราเอากระปุก หมูหมากาไก่เรียงเป็นแถวไว้กระปุกไก่กระปุกหมูกระปุกแมวกระปุกหมาเราก็ติดไว้อันนี้ใส่บาดวัดป่าบ้านตาดอันนี้ใส่บาดวัดโพธิสมพรอันนี้ใส่บาดวัดชิมววาดอันนี้ใส่บาดวัดหลวงปู่ถิน่นอันนี้ใส่บาดวัดหลวงปูล่ลีลูกปู่วุ่นมีก็ว่ากันไปเลย แต่ไม่ต้องใส่บาทรหลวงพ่ออินหรอกหวงพ่ออินเนี่ยเห็นเนี่ยพวกเรามาใส่บาทก็รัวอยู่แล้วล่ะเราใส่บาตรคูบาตรจาย์ที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสสมมติว่าวันนี้เราจะใส่อะไรเราจะใส่กล้วยเตี๋ยวถวายพระสีองค์กระสีวัดกล้วยเตี๋ยวราคาเท่าไหร่เราก็เคยซื้อกินมาพอแรงแล้วก็ยอดเข้าไปในหลังกระปุก วันนี้เราจะถวายกล้วยหอมกี่ใบเราก็รู้แล้วราคามันเท่าไหร่เราก็หยอดลงไปแต่ไปหยับไปโกหกตัวเองเท่านั้นแหละกล้วยหอมใบละสองบาทตัวเองให้ใส่ห้าสิบสตานะโกหกตัวเองนั่นน่ะมันซื้อไม่ได้ไปซื้อที่ไหนก็ซื้อไม่ได้ไปซื้อบนสวรรค์ก็ซื้อไม่ได้อีกทีนีน้เพราะเหไรเพราะราคามันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นตามความจริงฮะ เ, เราซื้อ ขนมเนยไอนมไอนมกล่องหนึ่งเท่าไหร่เราก็รู้วันเราเคยซื้อมาแล้วเราก็หยอดตรงไปในกระปุกนั้นนั่นแหละพอออกพรรษาแล้วเราก็กระทบกบกระปุทปกทนี้กระทบกระปุกเราก็ไปเออถวายหลวงปู่พวกคร อ, อ, อบครัวของใิชันได้ทําบุญตักบาตรในพรรษารวมแล้วเป็นเงินเท่านี้ข อ, อถวาย เพื่อเป็นข่าพตทหารพระสงฆ์ในวัดหรือบำรุงพระพุทธศาสนาค่าน้ําข่าวไฟที่จะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสานาสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์ถ้าเป็นบุญเป็นกุศลในจิตในใจเราก็ได้ทําบุญทุกวันจากนั้นเราก็ตั้งจิตอธิษฐานอีกเหมือนกันด้วยอเนกสง์ในการทําบุญตักบาตรทั้งครอบครัวขอจะให้ความทุกข์ยากลําบากในการสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์ ของข้าพเจ้าขอให้ราบรื่นตลอดไปอันนี้เราก็ตั้งความปรารถนาได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นการสั่งสมบุญกุศลหรือว่าการทาบุญนต่นำสุขมาให้อันนี้สงแห่งการทาบุญเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าที่เราตถาคตได้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยทานนะพวกเราท่านทั้งหลายนะอันนี้สงแห่งการทานนะ อย่ามองข้ามเพราะฉนั้นเห็นไหมดวงตามหาบัว อ, อท่านไปที่ไหนท่านทําบุญ ท, ท, ทําทานถ้าเราศึกษาในชีวประวัติของท่านหรือว่าแนวทางดําเนินของท่านออตอนเช้าเนี่ยท่านจะพูดท่านไปทําบุญที่ไหนต่อที่ไหนอย่างวัฒนาคําน้อยของเราเนี่ยบางทีท่านมาเดือนละครั้งสองครั้งก็มีพอมาถึงบ้านผือ อ, อท่านก็ไปซื้อ อ, อ ส่วนน้ำตาลหรือขนมปังน้ำมันพืชเนี่ยท่านจะซื้อจากยี่สุนเป็นรถสิบล้อมาเตรียมไว้ในคลังวัดปาบ้านตาดแล้วจากนั้นท่านก่อนขนขึ้นรถขึ้นรถใส่รถมาแล้วก็มาซื้อเนี่ยให้โซเฟอร์ไปเอาไก่ย่างที่บ้านผือจากนั้นก็มาลงที่โรงพยาบาลนายูง ขนลงที่นั่นและก็มาขนลงที่นาที่วัดป่านาคำน้อยของเราด้วยหลวงตาเวลาท่านมานะ่ะพอท่านลงจากรถเท่านั้นอนะ่ะพ่อไก่ไก่ย่างมันยังร้อนๆควันยังฟุ้งอยู่ใช่ไหมที่เขาพนท่านซื้อมาพอหลวงตาลงมาเนี่ยกลิ่นไก่ย่างเต็มตัวหลวงตาเลยอยั้นงนั้น <laughs> พุ่นอนะ่ะ ท่านไม่ใช่ธรรมดาเนะ่ลูกหลานเะนี่ยในการทําบุญทำทานของหลวงตาเออไม่ใช่จะมาแต่วัดเรานะไปที่อื่นท่านก็ทําอย่างนั้นทุกวัดอย่างที่ภูวัวอย่างนี้ท่านเป็นรถตั้งหลายคันเออไปมอบให้เออแล้วก็ที่อื่นๆก็เหมือนกันที่ไปวัดหลวงปู่เพียนก็ปันเหมือนกันวัดหลวงปู่วุ่นมีหลวงปู่ลีก็เหมือนกันที่ท่านไปที่ไหนๆท่านอย่าเนี้ยท่านไม่ได้มองข้าม จะไปโรงพยาบาลไหนแถวชวนภูมิแถวไหนแถวหนองคายาท่านไปหมดท่านก็ขนไปให้อย่างที่ท่านมาวัดเรานี่แหละถ้าว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านจะไปวัดตามวัดต่างๆ ช, ช่วยสงเคราะห์วัดถ้าวันธรรมดาท่านจะไปช่วยโรงพยาบาลานี่หรือศูนย์ราชการพวกป่าไม้นุ่นไปทั้งน้ำหนุงน้ำเหนาวให้ป่าไม้ อาหงอาหารขนไปให้เอและเพะอเผอยังปัจใจให้อีกต่างหากอย่างมานายูงของเราเนี่ยทีละสองหมื่นนะท่านให้มาแต่ละครั้งแต่วัดโดยมากท่านไม่ให้หรอกเอพราะหลวงพ่อถวายท่านอยู่แล้วท่านก็เห็นว่าถ้าถ้าหากว่าหลวงพ่อถวายท่านท่านให้คืนมาเดี๋ยวหลวงพ่อจะไม่ถวายท่านใช่ไหมล่และแ้วท่านก็เก่งไม่ใช่ธรรมดาได้ลงตาทําไมงนั้นท่านไม่เป็นพ่อของเราหรือไงแ่ ท่านไม่ให้แต่ว่าท่านให้ที่อื่นท่านให้แต่เราโดยมากไปแต่ละเดือนก็เอานานๆหลวงตาได้มาหลวงตาช่วยสงเคราะห์วัดอื่นๆหลวงตาทาบุญเราก็ถวายนะพอถวายเสร็จแล้วเราก็มาประกาศให้วัดของเราเออศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานพระเนในวัดเนอะหลวงพ่อไปกราบคารวะหลวงตาเมื่อวานนะี้หลวงพ่อได้นาปัจจัยไปถวายท่าน ส0 0แสนบ้างสามแสนสี่แสนห้าแสนหลวงพ่อได้ถวายท่านนะไม่ใช่น้อยนะให้ความในวัดของเราก็ไม่ไม่คิดจะสร้างเอาไว้ก่อนนะเพราะหลวงตาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์อนุเคราะห์โลกเราก็ช่วยหลวงตาไปก่อนนะนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือการทำบุญแล้วเป็นยังไงทีนี้ในโค้งสุดท้ายของหลวงตาคนก็แปลกกันทั้งทั่วบ้านทั่วเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สื่อข่าวมาถามหลวงพ่อว่าท่านหลวงตาในมหาบวัวมีดีอะไรทําไมคนจึงมาในงานศพของท่านอย่างเนืองแน่นผมก็คิดว่าวันแรกคนก็ตื่นข่าวกันในว่าหลวงตาจากไปคนก็มาเห็นเนืองแน่นพอที่สองวันที่สองยิ่งแน่นกวันแรกอีกขึ้นมาการาบคารวะมาทําบุญกับหลวงตา ประตูเซฟเท่าไหรเต็มเอาเต็มเอาคนมาทําบุญวันที่สามที่สี่ไม่มีคําว่าน้อยลงไปมีแต่มากขึ้นเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวนี่นู่นยืนเรียงคิวมันตั้งแต่หน้าประตูเน่นนะนอะที่เขามากราบหลวงตาร้อนแดดเปี้ยงขนาดไหนคนนั้นทั้งเหงื่อแตกเหงื่ อ, อไหลก็ยังเอดินเรียงคิวเข้ามาเพื่อจะมากราบคารวะสรีระขององค์หลวงตาบนศาลาทําไม คนจึงได้เค า, ารพคารวะอย่างนี้เพราะความตื่นข่าวหรือว่าความอะไรของของคนเขาถามหลวงพ่อนะหลวงพ่ อ, อคุณพวกเรานะ่ะคิดดูให้ดีสิถ้าหางว่าหลวงตานะเป็นผู้ขี้ตันีทีเหนียวไม่ยอมแบ่งปันให้กับใครไปที่ไหนก็มีแต่งกมีแต่เอาทั้งหมดหลวงพ่อในองค์หนึ่ง จะไม่มากราบไหว้องหลวงตาแต่นีิล่งตาเป็นผู้เสียสละนะไปนสถานที่ใดหลวงตามิเตให้ไปโรงพยาบาลที่ไหนไมิตตให้จากนั้นก็ปากต่อปากคำต่อคำนี่ล่ะเครื่องมือตัวนี้ละที่รักษาพ่อแม่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาลูกหลานของเราคือเครื่องมือของหลวงตาพอได้ยินท่านั้นก็ยกมือท่วมหัวเลยโอ้สาธุ ลงตามีอุปกระคุณสําหรับตระกูลของเราครอบครัวของเราเราเนี่แหละนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเปิดไปโรงเรียนก็เหมือนกันนี่ลงตาสร้างโรงเรียนให้นะอช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์นะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสังขาวัตถุคือให้วัตถุกับชุมชนและสังคมชุมชนกับสังคม เมื่อลงตาจากไปเป็นโค้งสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรที่จะมาตอบแทนพระคุณของท่านได้แล้วพวกเขาเหล่านั้นจึงได้หลั่งไหลเข้ามามากราบมาคารวะ เ, ออเขารบสักกราระบูชาเท่าที่จะทำได้ตามกำลังศรัทธาของเราแต่ถ้าเราไม่มาจะเลยนั่นแหละแปลว่าไม่รู้จักบุญคุณเพลเพยังเป็นอกตัอยู่อีกต่างหากเพราะนั้น เขาเหล่านี้จึงได้หลังไหลมาถามถามด้วยสิอืมนี่แหละหลวงพ่อก็ได้อธิบายอย่างนี่แหละให้เขาฟังนั่นแหละสรุปแล้วก็คือคนที่มีน้ําใจถนที่มีเมตตาคนที่มีทานะคือการเสียละเสียสละ ค, คือการทานเนี่ยไปนะัดสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายถ้าว่าใครก็ตามไปนะสถานที่ใดมีขี้ตะนีทีเหนียวไม่ยอมให้กับเขาเลยเนี่ยเขาไม่อยากจะให้เขาไปใกล้ต่างหาก กลัวจะไปคดไปโกงไปเปียดไปบังไปพูดเรียบเคียงเอาเงินของเขาเขาปิดประตูอีกต่างหากไม่อยากจะให้เขาใกล้เขาอีกต่างหากเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้แล้วสำหรับพุทธบริษัทสเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ เ, เรื่องการทาบุญทำทานอย่ามองข้ามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อแนะนำไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ถาวายบทไม่ใช่ มีเท่าไรเก็บหมดก็ไม่ใช่ต้องแบ่งแต่ที่นิทานานิยมชาดกที่ท่านพูดว่าทุกขตาเนี่ยอันหนึ่งก็เก็บไว้อันหนึ่งก็บูชาเทวดาอันหนึ่งโยนลงน้ํามหาสมุทรทะเลเ อ, เ อ, อันหนึ่งก็ให้ปากงูเหงูงูจงอาง เ, อเลี้ยงเลี้ยงงูเหา่างูจงอางเพราะพระเจ้าท่านเฉลยว่า โยนลงน้ำมห า, มหาสมุทรทะเลนั่นคืออะไรก็คือเรากินเองเราใช้เองไม่เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอแปลว่าโยนมือก็โยนลงน้ำมหาสมุทรที่ได้รัพย์มาแล้วแล้วให้งูจงอางงูเห่าให้ไปทำไมงูเห่างูจงอางท่านบอกว่าทั้งลกูกทั้งแม่บ้านถ้าเราไม่เลี้ยงเขาไม่ดี เ, เขาก็กัด เ, เขาก็พูดนั้นพูดนี้ทาให้ไม่สบายใจนี่แหละทุกตะหาฟืนมาขายแล้ว เลี้ยงครอบครัวแล้วเอาไปฝังดินไปฝังทําไมเออเอาไปฝังดินก็เพื่อกินใช้ในอนาคตก็คือฝากฝังไว้ส ร, สร้างคุณงามความดีเอาไว้และบูชาเทวดาล่ะบูชาเทวดาก็คือบูชาผู้มีอุปกรณคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยแหละสรุปแล้วก็คือได้เงินมารู้จักแบ่งแบ่งสรรปันส่วน ส่วนเก็บไว้ก็มีเพื่อบริหารจัดการในครอบครัวบูชาพระคุณของพ่อแม่ก็มีให้ลูกให้เมียใช้ก็มีกินเองก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าพวกเรารู้จักแบ่งสรรปันส่วนชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะเรียบร้อยราบรื่นสบายอกสบายใจไปตลอดถ้าเรารู้จักแบ่งถ้าเราสดโต้งข้างใดข้างหนึ่งได้มากรทุ่มทานทั้งหมด จะเดือดร้อนตัวเองอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เราให้ใช้ปัญญานะนะั่นแหะการบริหารจัดการกับตนเองนะและก็วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่จําพรรษาทําไมจังว่าจำพรรษาในครั้งพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใหม่พระองค์ก็บวชพระสงฆ์เอหิไปกุอุปสัมปทานพระสงฆ์กองมาก องนั้นกับบวชองนั้นองนั้นกับบวชองนั้นพระสาวกต่างแล้วกับบวชทุกศิษย์ลูกหาเพราะในสุดพระเป็นหมื่นเป็นแสนแต่นีนพระที่เข้ามาบวชน่ยไม่ใช่ว่าเป็นลูกชาวเกษตรก ร, เ, กรเท่านั้น เ, เป็นลูกอยู่คนอยู่ในเมืองอลูกเกษตริย์ลูกพรามณ์ผู้ที่ไม่รู้จั ก, กเกษตรก็มีแต่ี้พระที่เป็นหัวหน้าเออปะไปหาเที่ยวทุดงในป่า จากนั้นถ้าเกิไปเที่ยวทุดงในป่าพระสงฆ์ก็เดินตามไปทีละห้าร้อยก็มีสองร้อสามร้อยก็มีทีละสี่สิบห้าสิบองค์กนนีก็มีไปก็ไปภาวนาเสร็จแล้วก็เอากลับไปจำพรรษาที่ปัปเชตตววันีบ้างแต่นี้พวกที่เป็นไม่ใช่เกษตรไม่รู้จักเนี่ยเพืชไรจของเขาคืออะไรพอเดินเข้าไปก็ไปเหยียบ คือเขาเถาวันฟักแฟงแตงกวาของเขาเนี่อแหลกเหลวไปหมดเลยไปเหยียบไปผ่านไร่นางเสียหายเลยคนชาวบ้านเขาก็ติเตียนเลยโอ้สมณะสสักกยะบุตรดูสิเดินไปที่ไหนแหลกเหลวไปหมดไปเหยียบคันนากับคันนาแหลกหมดคนทั้งห้าร้อยเลยไปเหยียบทีนี้คนทั้งหลายก็ติฉินนินทาขึ้นมาได้ยินพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบเป็นพระผู้ใหญ่เออใช่ ก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเออเอามันมีเหตุแล้วเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะชาวบ้านเขาให้เหตุผลว่าขนาดนกหนูปูปีกหน้าหนาวก็ยังมีโพรงไม้มีรว ง, ม, รวงมีรังเข้าไปอาศัยแต่พระสงฆ์ส ม, มณะสกากยบุตรที่เที่ยวทั้งแรงทั้งฝนไม่มีหยุดไม่มีหย่อนไปที่ไหนก็นเห็นแต่เดินเอ่อเป็นแถวเป็นแนวเหยียบพืชไร่เขาหมด พระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติวินัยขึ้นมาเออตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภพิกสุขทั้งหลายให้จำบรรษาสามเดือนตั้งแต่เดือนแปดเพนไปถึงเดือนส1บเ อ, อ็ดเพออแล้วก็จากนั้นไปก็เป็นเออเป็นช่วงกะถินช่วงเสาะแสวงหาผ้าออจนถึงเดือนสิบสองเพนเ อ, อ่ออันนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ บัญญัติวิไพนพระสงฆ์ก็เลยจนะําพรรษาถึงเลยไปไหนไม่ได้เข้าพรรษาถ้าอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ไม่ให้ไปเที่ยวถ้าจะไปก็ต้องศรัตธหาหกรณีะมีความจําเป็นพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยศรัทธาญาติโยมนิมนต์ทาบุญมีความจําเป็นก็ไปได้ครั้งคราวครั้งละเจ็ดวันไปแล้วก็ต้องรีบกลับมาจะไปตามอําเภอจะไปจะไปตามอําเภอใจจะไปเที่ยวตามอําเภอใจไม่ได้ พันสาขาดปรับรบัติทุ ก, กฎนี่แหละพระก็เลยจําพันสาตั้งแต่บัดนั้นแต่เมื่อจำพันสาแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจที่ในพันสานี้เราจะทํำยังไงอย่างพระจักคูบาลพระจักคู่บาลมหาเถระที่เป็นพระเถระผู้หนึ่งในพันสานี้ s ข้าพเจ้าจะเร่งความเพียรเพราะไม่ได้ไปที่ไหนข้าพเจ้าจะเร่งความเพียรจะเอา อริยบทสาอริยบทสมก็คืออะไรคืออะไรยืนเดินนั่งจะไม่นอนเด็ดขาดในพรรษานี่แหละท่านดูในพรรษาสามเดือนท่านก็เล่งความภาคเพียรของท่านจนผลในสุดท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ผลในสุดตาของท่านก็บอดเพราะเหตุอะไรเพราะท่านไม่ได้พักและก็ด้วยบาปกรรมของท่านในอดีตที่ท่านเป็นหมอยาแล้วประกอบ ยาใส่ตาให้คนตาบอด อ, อพระพุทธเจ้าวะไม่ใช่เขาเร่งความเพียรในตาบอดไม่ใช่นะบาปกรรมของเขาให้ผลมาอีกพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลถามว่าบาปกรรมอันไหนพระเจ้าค่ะพระจัาาะจกุบาลจึงตาบอดพระพุทธองค์บอกว่าสมัยก่อนพระจักุบาลเป็นหมอตาไปรักษาตาผู้หญิงไม่คนหนึ่งเขามีเงินออพอศัลย์รักษาตายเขาก็หาย แต่เขาไม่อยากจะยอมจ่ายค่าค่ายาให้เวลาหมอมากระทำท่ามองไม่เห็นเออคําหน้าคําหลังแต่พอหมอไปแล้วก็เอตาใช่การใช้งานได้แต่ใ น, นคนเขาอยู่ในละแวกนั้นเขาก็บอกว่าตาเขาหายแล้วเอแต่ว่าหมอตามาเนี่ยเขาทําท่าตาไม่เห็นทางหมอตาเนี่ยก็โมโหเอาเถอะข้าจะผสมน้ํากดหยอดให้มันตาบอดมากนี่แหละ ทีนี้เอทางอาจาร้์เขาผสมน้ําโกดมาเขาก็มาบอกเอ้คุณยายเนี่ยานะยาตัดรากนะใส่เข้าไปทีเดียวเท่านั้นละ่ะหายยา ย, ยายน้ะก็อยากจะตัดรากให้มันหายดีกว่าเก่าใช่ไหมละ่ะเอพอให้ยาเสร็จแล้วก็แต่แกเขรีบลงจากบ้านเข้าไปยายน่ะก็จอดตาเนี่ยมันก็ปิ้วเข้าไปตาเลยบอดทั้งสองข้างเลยทีนี้ นั่นแหละพระจักคูบาลได้รับกรรมตันนั้นแหละมาถึงจะได้ตัวเองได้สำเร็จเป็นพระหันในชาตินี้แต่กระตาก็แตกพร้อมกับพระหันได้สำเร็จออวันนั้นด้วยพันษาออกวันนั้นด้วยตาแตกวันนั้นด้วยสามแตกเห่างนั้นพันษาก็ออกตาก็แตกกิเลสก็แตกพระจักคุบาล น, นี่แหละกรรมชั่ว อย่าทำเสียเลยดีกว่าเมื่อทำกรรมชั่วนะกรรมชั่วจะให้ผลติดตามภายหลังไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะในพรรษานี้เราจะเอาอะไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้เป็นแนวทางสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้ตัง้งจิตตั้งใจตัง้งจิตอธิษฐานต่อพระพุทธอุโรมมงคลพระประธานในพรรษาจากนั้นก็เราก็ตั้ง ใจประพุทธปฏิบัติไปเรื่อยๆนะจากนั้นเราจะขอพรจากพระพุทธปฏิมาที่ไหนก็ได้ไปโบสถ์วัดโพก็ได้ที่ไหนก็ได้วัดป่าบันตาขึ้นไปกราบพระประธานเออผู้ข้าขอพรที่ผู้ข้าได้ตั้งอกตั้งใจจําพรรษางดสิ่งที่ข้าพเจ้างดจกยากข้าพเจ้างดได้แล้วด้วยความสัต์จริงด้วยความจริงจังและจริงใจของข้าพเจ้า ด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีทั้งหลายทั้งมวลขอให้มาเกือ้อกูลหนุนข้าพเจ้าอย่าได้มีอุปสรรคนานับประการด้วยเถินนี่นึกในใจอย่างนั้นนะ่ะอแล้วกับบุญกุศลที่พวกเราได้ทําไว้ดีแล้วเนะี่ยมันเป็นพลังอจะเป็นเครื่องเกือ้อกูลหนุนสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะนี่แหละขอบอกกล่าวให้กับคณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนนะในพรรษาในี้ประกอบ คุณงามความดีคิดดีทำดีพูดดีนะที่ไหนที่มันคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วย จ, จะไปคิดจะไปทำเพราะความชั่ว เ, เมื่อกำชั่วอย่าทำจะเลยดีกว่าอย่างที่ว่านะอย่างพระจักคุบาลกำชั่วอย่าทำจะเลยดีกว่าเพราะกำชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้ทำแต่คุณงามความดีให้สร้างตบุญกุศล พวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญไปอยู่ในสถานที่ใดคิดมาเมื่ อ, อไรกับภาคภูมิใจมีแต่ความสุขใจสุขกายสุขใจนะอันตอนนี้ไปรับพรนะตะตีนะ่ารับพรอนุโมทนาให้พรอุทิศส่วนกุศลรวยวันนี้